เมื่อวานใครมาบ้างไม่กลับบ้านกนเรียนกันบางทีเรียนกันนานนะกว่าจะเข้าใจเมื่อเช้าเจอคนหนึ่งเรียนกันลงพ่อสิบหกปี น, น, นี้จิตเข้าทางสายกลางแล้วค่อยๆดูไป มัเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะที่เป็นแบบเป็นนิทานเป็นอะไรเงีอายุเยอะนะไม่ต่างกับหลวงพ่อมากอ่ะแต่ชอบอ่านนิท า, นะานน่ะนิทานแล้วใจมีความสุขนะนิทานธรรมะนะ ใ, นใจมีความสุขสมาธิมัเกิด มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจ เ, เห็นไปเรื่อยๆแค่นี้ขั้นแรกเลยถึงสอนว่าพวกเราต้องตื่นขึ้นมารู้สึกตัวนะใจที่ตื่นใจที่รู้สึกตัวใจที่ทรงสมาธิที่ดีหายากสมาธิที่ถูกเราคุณเคยกับวิชาสมาธิมากกว่าสัมมาสมาธิ ที่เราคุณเคยมีฌาสมาธินะสมาธิไม่ประกอบด้วยสตินเนพราะในสังสารวัฏเนี่ยนานๆจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักองคหนึ่งแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยมักจะอยู่ไม่ค่อยนานอย่างธรรมะของพระวิปัสสี สีขีพระเวสสภูเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับก่อนกับเมื่อสามสิบเว็ดกับก่อนพอพระพุทธเจ้าปรินิพานธรรมะเขาหายไปเลยพระสาวกเนี่ยสืบทอดธรรมะไม่ได้มาถึงยุคของเราเนี่ยพระโคตมะโคตมะพุทธะสืบทอดได้ แต่ทั้งๆที่ว่าสืบทอดได้ก็สองพันกว่าปีเงเวลาที่เหลือที่ไม่มีพระพุทธเจ้านียมันยาวนานมากนะอย่างพระวิปัสสีอุบัติขึ้นเมื่อเก้าบอดกัปก่อนแล้วก็เว้นช่วงไปหกสิบกัปแล้วไม่มีพระพุทธเจ้ า, าเมื่อสามสบดกัปก่อนมีพระพุทธเจ้าสององค์นะพระสิขีกับพระเวสสุปูแล้วก็เว้นมาสามสิบกัปไม่มีพระพุทธเจ้า มาถึงกับของเราเนี่ย ม, นะมีพระพุทธเจ้ามีพระร้วสี่พระองค์เลื อ, อีกองค์หนึ่งพระเมตไตรยยุคของเราเนี้พระพุทธเจ้าเยอะนะเวลาส่วนใหญ่นั้นเป็นเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคำสอนที่เป็นสัมมาทั้งหลายนยไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปนะสัมมา วาจาสัมมากัมมันตาสมาชีวะสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิไม่มีมันมีแต่ไม่ใช่ตัวสัมมานั่งสมาธินั่นเป็นมิจฉาไปเพราะฉเราคุ้นเคยใจเราที่เวียนว่ายอยู่ในสารวัตรยาวนานเนี่ยมันคุ้นเคยกับมิจฉาทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังบ ป, ปะมิจฉาวาจามิจฉากรมันตะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้งั้นต้องฝึกมากเลยนะกวาใจเราจะเข้าสู่ทางสายกลางเดินมักได้จริงๆต้องฝึก ไปลองขอให้เทวดาช่วยเทวดาก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ไปจับชายชีวรพระพุทธเจ้าให้ท่านช่วยนะให้เกิดเนี่ยอริยมรรคอะไรเนี้ยท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านบอกท่านทําได้แค่บอกทางให้เราเราก็มีหน้าที่เดินทางเอานะเส้นทางนี้เดินแรกๆมันเป็นเส้นทางธุรกันดาง เราหลงอยู่ในป่าทึบนะีไม่มีกระทั่งด่านสัตว์ทึบไปหมดเลยนะไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะป่าที่ทึบจริงๆนะไม่เห็นกระทั่งแสงแดดไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้อะไรนะใจของสัตว์ที่วนเวียนในสังสารวัฏก็เหมือนอยู่ในป่าทึบนิ่งอาศัยนะได้บุญได้ยินได้ฟังธรรมะ รู้วิธีที่จะค่อยๆ อ, ออกจากป่าจากป่าทึบก็ามาเป็นป่าโปร่งๆขึ้นเลยนะแล้วออกชายป่าออหลุดออกจากป่าได้ป่าก็คือกิเลส น, นั่นเองกิเลสที่มันปกคลุมจิตใจเราจะมืดบอดอดทนศึกษาปฏิบัติทำไปนะใจก็เข้าสู่ที่โล่งที่สว่างขึ้นแล้วใช้เวลา ใช้เวลาอย่าว่าแต่คนซึ่งไม่มีบุญบารมีเลยนะขนาดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ทุ่มเทกันมากกว่าจะได้แต่ละองค์แต่ละองค์ขึ้นมาใช้เวลาบางองค์ท่านไปได้ตอนอายุทั้งหกสิบ พรงอายุห้าสิบเก้าทังๆที่ท่านทำตั้งแต่เด็กบวชตั้งแต่เนนนี่คืการภาวนานะเราทุ่มเททำกันอยู่หลายปีคนนี้ก็เรียนกับหลวงพ่ออยู่สิบหกปีก่ อ, อ น, นหน้านี้เป็นนักเข้าวัดทำบุญเวลาจะทำบุญนะจะเลือกอาหารนะอะไรเงี้ยต้องประณีต บุญที่ประนีตมากทำทานที่ประนีตมากมาแล้วก็เพิ่มอยู่นะหลวงพ่อก็แสวเลยแหะ้ยเพิ่มอยู่นั่นแหละเจอทั้งเดยนนี้ไม่บ้าบุญละทำบุญเ น, นเขาเสียสละลดละกิเลสในใจไปนี่พอไปอ่านหนังสือธรรมะที่ถูกใจนะ แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะเรียนแบบกันไม่ได้นะบางคนไปอ่านนิทานธรรมะแล้วลำคาญอ่านแล้วสงสัยตลอดเลยจริงเล่าจริงเล่าจริงเละนะ่ะใจไม่สงบนี่เขาอ่านแล้วเ้ามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาเขาแรงอยู่แล้วอ่านแล้วศรัทธามันแรงนะใจก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ทุกคนทาอย่างนี้นะทางใครทางมัน ดูทางของเราเองค่อยๆศึกษาไปปฏิบัติไปนะวันหนึ่งแล้วเข้าเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นใครจะส่งคนบ้านมีไหมหลวงพ่อครับที่เมื่อวานหลวงพ่อให้ไปดูว่าหนูฟุ้งซ่านนะคะหนูว่าฟุ้งซ่านจริงๆะคะ่ะ ก็จะเห็นสิจะเป็นหลอกแนละ้วทําไมล่ะเห็นว่าจิตมันคิดบ่อยมากนะคะอืจิตคิดนะ่าเป็นเรื่องปก ต, ตินะแต่คิดแล้วลืมเนื้อลืมตัวถลําไปอยู่ในโลกของความคิดนะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยฟุ้งซ่านก็แล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะให้รู้ทันว่าจิตลงไปคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นทีขึ้นทีขึ้น จิตมันเคยชินที่จะหลงมันก็หลงบ่อยเราก็ฝึกให้เกิดความเคยชินใหม่คือเคยชินที่จะรู้สึกอีกหนึ่มันก็รู้สึกบ่อยถึงจุดหนึ่งมันหลงไม่เป็นนะราวนาไปถึงจุดหนึ่งจะหลงไม่เป็นพวกเราหลงเป็นหลงแล้วเป็นอะไรหลงแล้วก็เป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นสัตว์ เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนโง่คนฉลาดคนอย่างน้นคนอย่างนี้เรียกหลงเป็นล้ผ่าวนาไม่หลงไม่หลงก็ไม่เป็นเอาว่าไปกราบหลวงพ่อด้วยคารวยิ่งค่ะ ในชีวิตประจาวันของโยมมีพุทธานุสติและมรอ น, อ, นอนานุสติเกิดขึ้นเสมอๆโยมใช้ทั้งสองนี้เป็นกรรมฐานด้วยกันได้หรือไม่คะได้ทำได้กรรมฐานมีสักสองสามอย่างนไม่เป็นไรแต่ใหญ่มีเยอะเกินเยอะแล้วแทนที่จะสงบนะกับจะฟุ้งซ่านมันจะจับจดนะสักสองอย่างสามอย่างนี่โอเคใช้ได้ พุทธานุสติมรณ า, านุสติใช่ได้แล้วก็รู้สึกกายไปโดยธรรมชาติคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยไปดูจิตอย่างเดียวเนี่ยมันจะเผลอง่ายเพราะว่าสมองเรามันเริ่มเสื่อมมันเป็นทุกคนนั่งๆบา ง, ง, งทีก็เคลิมๆคือไปไนั่ ง, งๆเฉยๆนะเราก็เอากายมาช่วยเคลื่อนไหวไปอย่างโยมก็กวาดบ้านอะไรไปก็ทำไป ยังทำไหวก็เคลื่อนไหวไปไมันจะช่วยให้กำลังจิตของเราเข้มแข็งยังจะตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมและตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมครูพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ทุกท่านเพื่อทำกตัญญูบูชาพระธนไตรอันสูงสุดเจ้าค่ะดีโมทนาไปฝึกเอานะอย่าห่วงเรื่องอายุมากอายุน้อยนะฝึก ทุกวันให้มันเต็มที่มีประโยชน์สูงสดุดละในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเรามีสติอยู่คืนเดียวก็มีคุณค่ามากกว่าคนที่หลงโลกตั้งร้อยปีงั้นมีชีวิตยอยู่เพียงราตรีเดียวก็พึงชมงั้นถึงเราอายุเยอะขึ้นก็ไม่แน่บางทีเด็กมันก็ตายก่อนเราอีก แต่เราเราไม่ประมาท็ดีเรคิดว่าไม่นานเราก็ตายแล้วงั้นเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราะถ้าฝึกปฏิบัติไปเตือนตัวเองเรื่องความตายอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วใครจำเป็นจะถามหลวงพ่อมีไหมขอที่จำเป็นนะ่ามครับหลวงพ่อครับ ในชีชิวจำวันผมใช้ภาวนาพุโทโธครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยรู้สึกตัวมากเท่าไหร่อ่ะครับือพุโทโธยังไงล่ะพุโทโธแล้วก็ใจหลายไปคิดแล้วก็จะรู้เนะครับเออแาบนั้นก็ดีแล้วนี่ผมต้องเปลี่ยนมาดูกายอะไรไหมครับหลวงพ่อครับเดินออกมาให้หลวงพ่อดูหน่อยอยังตอนนี้เราหลงรู้สึกไหมครับตอนที่เคลื่อนไหวอยู่หลง เคลื่อนไหวเราก็รู้สึกนะเดี๋พูดโถก็รู้สึกนะมันก็กรรมาฐานอะไรก็ได้แหละแล้วคอยรู้สึกตัวไว้ของคุณเคลื่อนไหวแล้วมันรู้ง่ายนะคบปุ๊บนะปกติผมในรูปแบบใช้เดินแล้วก็สั่งสะเทือนแล้วรู้สึกกับครับนั่นแหละนะใช้ได้นะไปทําต่อก็แสดงว่าถ้าเกิดนั่นก็คือดูเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกอย่างนี้ไปก็ได้ใช่ไหมครับโมลได้ เคลื่อนไหวแล้วนกะ็เวลาเราไปเห็นความเคลื่อนไหวแล้วจิตเราไหลไปที่ร่างกายรู้ว่าจิตไหลไปนะหรือจิตหนีไปที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปเราทํากรรมฐานสับอย่างสองอย่างอะไรก็ได้แต่ทํากรรมฐานอะไรก็ตามเพื่อรู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธอย่างจิตสงบก็รู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธก็รู้นะ เดินจงกรมหรือเคลื่อนไหวอาจจะไม่เดินจงกรมในรูปแบบกลับไปกลับมาแค่กวาดบ้านถูบ้านทำงานรดต้นไม้ล้างรถนะอาบน้ำให้หมาอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกไปนี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันแล้วกำลังเดินอยู่เี้ยใจหนีไปที่อื่นลืมกายที่กำลังเดินใจหลงไปอยู่ในความคิดมีสติรู้ทันนี่ก็เรียกการปฏิบัติ ไปเดินเข้าไปที่เดิมขอบคุณคนระับหนุ่มที่นั่งรถเข็นนะนะจิต ด, ดีขึ้นนะครับนามัส ก, การครับก็ผมอยู่นี่นะครับคือเมื่อสิบสองปีที่แล้วครับได้ฟังทำหลวงพ่อตอนเป็นนักเรียนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าก็ติดเรื่องความคิดออกไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวัยทำงานก็มีความฟุ้งอยู่ครับแต่ก่อนเริ่มทำงานเนะี่ยผม ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติทํางนานประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเลยได้เห็นสภาวะที่หลวงพ่อว่าจิตใจเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ของมันเองได้เราไปบังคับให้มันเข้าใจธรรมะไม่ได้ใช่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า <c oughs> ผมทำงานเนี่ยความฟุก้กมันหนักมากครับก็ก็เลยตัดสินใจมาเข้าคอร์สของทางาคอร์สข อ, อที่เขาพามาที่เนี่ครับจิตมันเดินได้ถูกแล้วนะ จิตมันเดินได้ดีละก็คอยรู้สึกไปคอยอ่านความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปฝึกไปเรื่อยๆดีแล้วนะขอบคุณครับความทุกข์ไม่มีใครอยากได้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกสังเกตไหมพอเรารู้ทุกเนี่ย น, น, นเราก็จะคนกวายที่ออกจากทุกจะขยันภาวนา เวลามีความทุกข์ก็เลยขยันภาวนาพอมีความสุขก็ชี้เจ็ดภาวนางั้นความทุกข์ไม่ใช่ของเสียหายนะมันเป็นพลังที่จะให้เราออกจากโลกดีที่ฝึกอยู่นี่อยู่ทางนี้วัฒ น, น์รา น, น, นกการงพ่อครับจิตมันชอบกินโรสาบ ชอบกินโทสะครับโทสะมันอร่อยอย่างเงี้ยครับรู้สึกอยู่ข้างในแล้วก็ก็ใกช่วงนี้ก็จะเห็นราคากับอีโก้เยอะครับเออดีก็มันจะยอมให้กับเกิดดับง่ายกว่ามุมอื่นครับในที่ทำมก็คือพอดีมันไปเห็นสภาวะหนึ่งครับหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าโดนหลอกหรือเปล่าเพราะว่าจากแต่ก่อนที่เรารู้ว่าเราคิดว่าเรารู้มาตลอดเงี้ยครับ มันไปเห็นสภา ห, หนึ่งว่าสภาวะหนึ่งว่าจริงๆแล้วรู้มันสั้นนิดเดียวแล้วมัน<ช>เป็นความคิดมันลองล<ช>อรับะแล้วรู้ตรงนั้นมันเป็นจุดจุดเดียวเลยที่มันไม่หนักไม่เบาไมดีไม่ร้ายไม่ทายไม่ขวามันรู้เดียวเลยแล<ช>้วก็เอาความคิดมารับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโดนหลอกหรือเปล่าไม่หลอกหรอกนะนะของจริงอะนะความรู้สึกตัวนะั้นสั้นนิดเดียว<ช>เป็นขณะเดียวเท่านะั้นมันไม่มีน้ําหนักอะไรเลยครับตรงนั้นเคยได้ย <in> ินหลวงพ่อพูดไหมไรน้ําหนัก บ, บางเฉียบเงียบกลิบตรงที่พูดแจ้วๆจนะความคิดทางนั้นนะได้ภาวนาไปแต่ไม่ใช่มุ่งมาที่ตรงนี้นะใจมันมาตรงนี้ก็รู้ใจมันไปอยู่ที่อื่นก็รู้รสภาวะทั้งหลายทั้งปวงทั้งดีและเลวทั้งสุขและทุกข์ทั้งสงบและภุงสั้นสอนธรรมะเราเท่าๆกั น, นปัจจุบันสั้นนิดเดียวถูก ตัวนี้หลงคิดแล้วรู้ไหมลู้ครับเออเรรู้อย่างนี้แลหลงอีกแล้วรู้ไหมพัธ <laughs> การเจ้าค่ะก็ที่ผ่านมาก็พยายามตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ทำรูปแบบเช้าเย็น ครั้งละหนึ่งชั่วโมงหลวงพาก็นั่งดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วก็ดูอนิจจังความสุขถบางทีก็ดูไหลก็ก็คิดว่ามาน่าจะถูกทางเพราะเห็นกิเลสตัวที่ไม่เคยเห็นชัดขึ้นแล้วก็เห็นความทุกข์โดยที่ใจมันดูแยก่ังหากได้มากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้มีปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้ะคะ่ะก็เลยจะกราบเรียนถามหลวงพ่อคือ ตัวเองเนี่ยติดขนมมากแล้วทีเนี้ยก็ติดอะไรนะติดขนมอะค่ะทานขนมจนจะไม่ค่อยสบายก็ตอนนี้ก็มีชอยให้ตัวเองสามทางที่ดูมานะคะ <c oughs> ทางแรกก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทำคือทานขนมแล้วก็แต่ร่างกายมันจะทุกข์ก็ก็แต่ก็ใจเป็นมีสุขอะคะ่ะก็ดูอ น, นิจจังความสุขทางใจไปยอมทุกข์ร่างกายแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ พยายามจะหักดิบเพราะว่าเริ่มอายุมากขึ้นร่างกายมันก็ไม่ไหวนะค่ะหัาแต่หักดิบเรารู้สึกเครียดเกินไปหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าเครียดห้ามเครียดนี้ทางที่สามตอนนี้ก็คือหันไปหลังอาหารนพยายามเลิกทานขนมโดยหันไปเล่นโทรศัพท์เจ้าค่ะสักชั่วโมงหนึ่งอนะไรเงี้ยก็เลือกไม่ถูกว่าทางไหนจะเหมาะกับตัวเองที่สุดเจ้าค่ะไม่ได้เรื่องเลยไปเล่นโทรศัพท์ยิ่งแย่ใหญ่ งั้นทางหนึ่งหรือทางสองดีเจ้าะหรือสลับกันกินขนมนิดๆหน่อยๆมันกินแล้วมันเพลินนะคะเราจํากัดไว้เสียซื้อน้อยๆที่เหลือก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว่าเอาไปให้มันกินนะก็พยายามไม่พกตังไปอะค่ะเอาเทาที่จะใช้อะค่ะไม่งั้นจะซื้อขนมเออมันก็ทานน้อยๆแล้วก็ทำไมหลวงพ่อไม่บอกให้เลิกเลิกไม่ได้หรอกขาดเลิกไม่ได้ ถ้าเลิกแล้วหูดหิดค่ะเครียดค่ะหลงพ่อนั่นแหละค่ะเจ้าค่ะมันก็ทางหนึ่งเแล้วยิ่งอยากกินขนมเนี่ยเป็นโลภะเจ้าขาดเป็นไปเล่นไปเล่นโทรศัพท์เนี่ยเป็นโมหะมันแย่ลงนะเออเจ้าขาดราคะยังสูงกว่าโมหะเจ้าจุดอ่อนเลยนะก็คือใจมันถูกราคะครอบงํา มันอยากตลอดเวลาไ ม, ไม่เฉพาะอยากกินหรอกมันอยากได้มรรคผลอยากอะไรเงี้ย ค, ความโลภมันแรงแล้วก็ทุกข์เพราะความโลภแต่มันก็มันก็มันก็นกนกยังอยากเจ้าค่ะทุกข์ให้พอเจ้าค่ ะ, <น>ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ ที่ปฏิบัติในลูกแบบส่วนใหญจะเดินจงกรมแล้วก็ส่วนถ้านั่งสมาธิจะรู้สึกว่าเพ่งนะคะแต่ว่าจ ะ, จะเรียนถามหลวงพ่อว่ามีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะคือก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมาะค่ะมาเดินให้ดูนะ เวลาเดินนะแล้วใจมันหลงก็รู้เอานะรู้เอาไปไปนั่งใจมันยังไม่เข้าฐานมันยังฟุงฟ้งๆว้างๆออกข้างนอกนะมันช่วยมันนิดหนึ่งหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกแต่อย่าดึงจิตนะแค่หายใจรู้สึกว่าร่างกายกําลังหายใจรู้สึกแค่เนี้ยลองทําซี รู้สึกไหมจิตมันไม่เหมือนกันจิตตรงนี้ก็บตะเกียไม่เหมือนกันแยกออกไหมตรงนี้เหรอยังไม่ออกนะอยังไม่ออกก็พยายามหายใจไปพุโทโธไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าไปดึงจิตนะอย่าไปแตะต้องมันมแล้วมันจะค่อยๆกลับมาเองนะใจมันยังไม่เข้าบ้านแต่หนูเดินจงกรมได้ถูกหลักแล้วนะเดินไปแล้วก็ รู้สึกตัวกลับมาเรารู้สึกตัวแล้วก็เดินนะตรงนี้หลงไปคิดแล้วรู้ไหมดูกายไปดูยังดูจิตไม่ออกนะดูกายหรือก็ดูจิตมันก็เหมือนกันหละนะมันก็ลงไปที่เดียวกันนะบางคนดูกายแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์บางคนดูจิตถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปได้ทางนั้นหละนะ กายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างเนี้ยเหมือนประตูเมืองสี่ด้านเข้าประตูไหนก็ถึงที่สุดแห่งทุกได้เหมือนกันเข้าเมืองได้เหมือนกันอย่างตัวอย่างพระนนท์พระนนท์นะในพระไตรปิฎกบอกว่าพระนนท์เนียยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติของท่านเนี้ยก็คือ การเจริญสติปัฏฐานด้วยการดู ก, กายนะงั้นท่านดู ก, กายเป็นส่วนมากในคืนนั้นแล้วส่วนน้อยทำอะไรส่วนน้อยจิตรวมเป็นสมาธินะแล้วท่านทำไปโดยที่คาดหวังว่าจะบรรลุยังก็ไม่บรรลุเจอทั่งใกล้สว่างนะท่านก็อายุมากแล้วท่านก็วันพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปสังขยา ท่านก็นอนก่อนดีกว่าะไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแล้วนะบอกตอนที่ท่านเอ็นตัวลงนอนเนี่ยเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนะท่านก็หมดอาสวกิเลสละ ว, วันจีจีนท่านภาวนามาเนี่ยท่านดู ก, กายนะน่ดู ก, กายก็ไปได้เถ้าเราไม่ถนัดดูจิตเราก็ดูกายก็คแค่นั้นเองกายก็จะสอนใจลักเราแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่ากายเป็นของถูกรู้ อันนี้เคยเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้เนี่ยตัวเนี้ยที่พยักหน้าอยู่เนี่ยมันถูกรู้อยู่นะพอมันวางกายมันจะเข้าไปเจอจิตเองนะอย่าจงใจหาจิตนะจิตเป็นของที่แสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหนูรู้สึกกายไปเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อฟังซีดีของหลวงพ่อมาสองปีแล้วอะค่ะ แล้วก็ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่เคยไปเข้าคอร์สหรือเดินจงกรมอะไรที่ไหนอะคะ่ะส่วนใหญ่ปฏิบัติเองที่บ้านหมดเดินชอปปิ้งไหมมีบ้างอะคะ่ะแต่ไม่มากเวลาเดินชอปปิ้งก็เดินรู้สึกตัวไปนะใจอยากได้นี้รู้ทันใจไม่ชอบคนนี้รู้ทันอะไรเงี้ยอ่านใจไปเรื่อยๆทำอะไรก็ดูอ่านใจไปเรื่อยๆ แล้วก็เวลาปฏิบัติก็คือทุกวันนี้ทําในรูปแบบอะค่ะตอนเช้าก็สวดมนต์นั่งสมาธิยี่สิบนาทีก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงอะค่ะทีนี้ว่าเวลานั่งหนูก็จะดูแบบเตัวเองหายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันมองเป็นภาพกว้างๆอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าแบบการที่เรามองภาพกว้างๆเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรไม่ชัดหรือเปล่าค่ะอย่าไปเพ่งลงไปที่จุดเดียวรู้กว้างๆรู้สบายๆนั่งให้หลวงพ่อดู หลงเรารู้ไหมอย่านั่งแบบนี้หนูไปนั่งบังคับจิตแล้วก็น้อมจิตให้ซึมเราไม่ได้นั่งเพื่อความสงบนะพอเรานั่งสมาธิเราอยากสงบเนะี่ยเราจะแกล้งน้อมใจให้มันซึมนแล้วเรารู้สึกดีอย่างนี้ไม่ดีสติมันนอนไป นั่งสมาธินั่งด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่ง ใ, ใจเป็นคนรู้เนะน่ยอย่าน้อมจิตอย่างเนี้ยเมื่อกี้ก็น้อมน้อมจะให้มันเบลอๆ อ, อย่าไปแกล้งทำให้มันเบลอนะงงรู้ว่างงเนะนี่ยรู้ลงเป็นช็อตๆ อ, อย่างนีนะ้ลองนั่งอีกซิรู้สึกไหมเราเริ่มบังคับจิตแล้วเนะี่ยเริ่มทำจิตให้นะ อย่าทำทำอย่างนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเป็นการสะสมโมหะให้มากขึ้นมันเป็นมิจฉาสมาธินะเะฉั้นเวลานั่งสมาธิลืมตาซินั่งด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้สึกสบายๆมีความรู้สึกตัวอยู่นะเนี่ยเห็นร่างกายหายใจแล้ะคอยรู้สึกอย่างนี้นะอย่าให้จิตน้ออะไรเงี้ย อย่างนั้นนะหนูไปสูบฝิ่นสูปอะไรมันก็ทำได้นะทำให้ใจเคลิมเคลิมอย่าไปทำใจเคลิมแล้วอยากให้หลวงพ่อแนะนำนิดนึงอะค่ะว่าคนปฏิบัติยังไงนี่ไงรู้สึกไว้นะรู้สึกตัวจริงๆไม่ตัดแปลงจิตให้จิตซึมนะไปค่อยสังเกตไปไปสังเกตของจริงดูว่าที่หลวงพ่อบอกนะี่มันหมายถึงอะไร เราไปดัดแปลงจิตให้จิตมันซึมซึมอะเราอย่าไปทําไปดูซิว่าทํําทาไมหลวงพ่อถึงบอกว่าไปแกล้งทําจิตให้ซึมคือเหมือนแบบเหมือนคําปกติแต่เพียงแต่ว่าให้ดูตัวเองเฉยเธรรมชาติธรรมชาใช่เป็นธรรมชาติรู้สึกอยู่ที่ตัวเองด้วยใจที่ปกติแต่ว่าหนูพยายามดูจิตนะคะแต่หนูเหมือนกันอย่าดู ไม่ได้ไหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจ อ, อเราไม่ต้องไปสแสวงหามันเราแค่คอยอ่านความรู้สึกไปตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์ตอนนี้ดีตอนนี้ชั่วอะไรเนี้ยคอยอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอจิตเองนามสกากนคัะหลวงพ่อรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้ค่ะเออดูจิตมันฟุ้งซ่านเราก็รู้นะ จิตสงบเราก็รู้จิตเป็นยังไงเราก็คอยรู้ไปเอาว่าไปเที่ยวที่แล้วหลวงพ่อให้ลูกไปดูกายค่ะหลวงพ่อลูกเห็นการทำงานของอขันห้าค่ะเห็นมันปรุงบางทีมันก็เห็นแค่ปรุงมันก็ขาดเลยค่ะถ้ามันรู้ทันบางครั้งก็ปล่อยให้มันปรุงจนจบอันนี้ลูกทำถูกไหมคะเราไม่ได้ปล่อยหรอกนะมันปรุงเราแค่มีสติรู้ทัน มันจะขาดหรือไม่ขาดเป็นเรื่องของมันค่ะนะแค่นั้นแหละไม่ต้องไปนั่งคิดว่าควรจะปล่อยให้มันคิดหรือให้มันขาดเลยตัวนั้นให้รู้ว่าสงสัยค่ะดูะปัจจุบันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันบางครั้งมันก็ดูกายบางครั้งมันก็ไปดูจิตแต่ส่วนใหญ่จะเห็นจิตที่มันคิดฟุ้งซางอยู่ตลอดเวลาค่ะถูกผืนจิตหนวฟุ้งซานนะค่ะ งันถ้าจะช่วยมันก็ทกํากรรมฐานพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแทนที่จะให้คิดร้อยเรื่องพันเรื่องอะไปคิดพุดโทโธไปแล้วเมื่อไหร่มันลืมพุโทโธก็แสดงว่ามันฟุ้งซ่านแล้ว <นะ S 1> ปัญหาของลูกหลักๆก็คือลูกทําให้รูปแบบไม่ค่อยได้เลยค่ะหลวงพ่อไม่ต้องรูปแบบเลยทําอะไรก็พุโทโธไปคแต่ลูกสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆทุกวันค่ะแต่จะอยู่ในทั้งวันเลยค่ะบางทีก็ฝันรู้สึกว่าตัวเองฝันแต่ว่าเรารู้ตัว แต่บางครั้งลูกนอนเหมือนไม่ได้นอนนะคะหลวงพ่อนอนเหมือนไม่ได้นอนเพราะมันมีสติอยู่ร่างกายมันหลับนะแต่ใจมันตื่นเห็นตัวเองกลับไปกลับมาเออนั่นแหละหลวงพ่อก็นอนอย่างนั้นแห ล, ละหลวงพ่อก็เห็นตัวเองกลับไปกลับมาลูกอยู่ฟินแลนด์ค่ะหลวงพ่อมามปีละครั้งอืมปีที่แล้วก็ไม่ได้มาค่ะ<ม><ม>ปีนี้ก็เลยขอกันบ้านหลวงพ่อยาวๆหน่อยได้ไหมคะกันบ้านไม่มีอ้าวกันบ้านยาวมีแต่ปัจจุบัน ปัจจุบันสั้นนิดเดียวนะคืออะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็รู้สึกไปเรื่อยๆแค่นี้แหละดูอย่างนี้ดูไปได้จนจบเลยฟินแลนด์เป็นไงมัง่งมีโรคระบาดที่ยังฟินแลนด์ก็มีชาวจีนเอาไปปล่อยไว้อยู่คนหนึ่งค่ะแต่ว่าสรุปแล้วเขาก็หายค่ ะ, ะเขากลับบ้านได้แล้วก็ดี แต่ลูกอีกอย่างที่ลูกทรมานมากคือลูกเห็นความทุกข์มันหมุนนะคะเวลามันมีความอยากหรือมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะใช่มันหมุนแล้วมันก็ทรมานมากแต่หลวงพ่อลูกจะผ่านตรงนั้นได้ยังไงคะตัวนี้มันจะหยุดหมุนว่าอรหัตตะมัคเกิดขึ้นะไม่ต้องตกใจนะแล้วพวนาไปเรื่อยๆคเราเห็นตัวเนี้เราจะเห็นทุกข์นะรู้สึกไหมมันเป็นภาระมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่เจ้าค่ะ แล้วเวลาเราดูตัวนี้เราเน็ดเหนื่อยเนี่ยนะมีที่เดียวที่จะพักได้คือทําสมถะเจ้าค่ะไม่มีที่พักอื่นเลยหลวงพ่อเห็นตัวเนี้ยหมุนนะตอนตั้งจะเป็นโยมนะแล้วเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนนอนหลับอยู่อย่างเห็นเลยพลิกซ้ายพลิกขวาเรารู้นะตัวนี้ไหวอยู่เราก็เห็นมันทรมานมากทรมานมากไม่เห็นอะไรทุกขเท่านี้เลยนะแล้วก็มีวิธีเดียวแหละก็คือทําสมถะเจ้าค่ะ ถวายการปฏิบัติโพชาให้หลวงพ่อได้ะดีหลวงพ่อนาะได้ดีมากๆเลยน ะ, ะถูกสติหนูเข้มแข็งมากแต่สมาธิยังไม่พอใ <Okay. S 2> จมียังฟุ้งเก่งเจ้าค่ ะ, ะอันนี้อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วสมาธิจะดีขึ้นแล้วนั่งสมาธิหนูจะต้องต่อไหมคะเพราะว่ามันหลงตลอดคะ่ะแล้วมันก็สื่อมทองพุโทโธไปก็ได้สมาธินะค่ะ อยู่ฟินแลนด์ไกลเนาะขอโลญนอค่ะหลางพ่อเนะหนานะหนาคะหลวงพ่อไปขึ้นไปแค่เนเธร์แลนด์ไม่ได้ขึ้นไปเท่นั้นไปเทศที่เนเธอร์แลนด์ที่เยอรมันนีงแต่ยุโรปไปยากขอบีซ่ายากยิ่งพระนะขอบีซ่ายากมากเลยยิ่งไปขอที่ทันทูดเยอรมันเนี่ย ที่ฐานคงศุนมั้งฐานทูตจำไม่ได้แล้วของเยอรมันนะถ้าพระไปขอเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองจากมหาเทรสมาคมอีกเราโอเราไปไม่ทันหรอกเขานิ ม, มนต์ไว้อย่างเงี้ยนะไปทำเรื่องข้าวประชุมบางทีหลายหลยเดือนไปถึงแประชุมไม่ไปดีกว่านะคนทางยุโรปสนใจก็ดูยูทูปเอาใช้ได้เหมือนกัน ครับนมัสกาลหลวงพ่อครอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หนเมื่อไงไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาหลายปีแล้วครับผมจิตยังไม่เข้าบ้านดูออกไหมมีฟุงฟ้งครับช่วงก่อนหน้า น, นี้จะฝึกในเรื่องของสมาธิแล้วก็รู้สึกว่ามีสมาธิในระหว่างวันมากขึ้นครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันก็เสื่อมไปครับมสมาธิมันเหมือนเราชาร์จแบตมือถือนะ เราชาร์จเรื่อยๆแหละไม่ต้องรอให้แบตหมดแล้วชาร์จเนาะมัอนทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำสมาธิเลยนะใจจะได้มีกาลังใจไม่มีกาลังพอนาไม่ได้หรอกนะใจมันพ้อแป้ป้อแป้นั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูืิอย่าทำอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกเลยนะคือพอนั่งสมาธิก็เริ่มบังคับตัวเองแนละ้วยาบังคับมัน ยิ้มหวานซะยิ้มหวานก่อนแลบลิ้นทีหนึ่งแล้วเออแล้วใช้ใจอย่างตอนนี้รู้สึกไปนีน่จำได้ไหมใช้ใจปกติอย่างนี้นแล้วอย่าไปแกล้งทำใจที่ปกติให้มันซึมมันเรื่องอะไรทำของดีให้เสียใจที่รู้เนี้ยรู้ตัวนํำดีอยู่แล้วอย่าไปทำมันเสียนีน่สึกไปเรื่อยๆ ทุกวันให้ใจมันมีพลังพยายามฝึกทุกวันอยู่แล้วคผมจากเป็น้านาทีเพิ่มเป็นยีิบนาทดีดีดีดีฝึกไว้นะดีแล้วแล้วก็เวลาฝึกเนี่ย<ม>รู้ตัวอยู่แล้วก็สังเกตจิตใจของเราจิตใจเดี๋ยวก็หนีไปคิดก็รู้เดี๋ยวก็ถลําลงไปเพ่งก็รู้<ม>เดี๋ยวสว่างขึ้นมามเดี๋ยวมืดลงไปอะไรเงี้ยคอยรู้ความเปลีป่ยนแปลงของมันแต่อย่าไปน้อมใจให้ใหมันนิ่งน้อมไปอย่างนี้มันจะเฉย ไม่มีใครลักให้ดูอ่ะหมดแล้วลวนะเชิญกลับบ้านนิมนต์เลยครับอาจารย์